พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราเร่งทําความเพียรกันเร่งศึกษาพระธรรมคําสอนเร่งปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเร่งทำบุญเร่งรักษาศีลเร่งภาวนา พอเรากำลังทำงานแข่งกับเวลานั่นเองคู่ต่อสู้ของพวกเราคือเวลาถ้าเราสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้แพ้เวลาเราก็จะถูกเวลาเอาความแก่เอาความเจ็บไข้ได้ป่วย เอาความตายมาให้กับเรานั่นเองเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถทำความเพียรได้ไม่สามารถที่จะศึกษาไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้เพราะร่างกายไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่นั่นเอง ตอนนี้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำหน้าที่จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันงามนี้หลุดมือไปผ่านไปโดยไม่ได้มาตักตวงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานั่นเอง จงมองเวลาว่าเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเราเวลานี้เขาทำงานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเขาไม่มีเวลาหยุดเวลาพักพวกเรายังต้องมีเวลาหยุดเวลามาพักบ้างแต่อย่าไปหยุดอย่าไปพักมากจนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุนี้ พักผ่อนหลับนอนคืนละสีชั่วโมงเท่านั้นให้นอนในช่วงสีทุ่มถึงตีสองพอตีสองก็ให้รีบลุกตื่นขึ้นมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือพิจารณาปัญญา ทำไปจนถึงสว่างพอสว่างก็ให้ไปบินทบาตไปทำภารกิจเลี้ยงดูล่างกายช่วงที่ปฏิช่วงที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูล่างกายก็ให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องหรือให้พิจารณาปัญญาให้ปฏิบัติแม้ขณะที่กำลังทำภารกิจอยู่ ถ้าไม่เจริญสติก็ให้พิจารณาปัญญาพิจารณาใจรักอนิจจงทุกขังอนัตตากับสิ่งที่มาสัมผัสกับใจผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายคือพวกรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรพะระธมอารมณ์ชนิดต่างๆ ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังเกิดแล้วดับมาแล้วไปถ้าไปยุธ์ไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องปล่อยวางต้องปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปอย่าไปยินดียินร้ายกับโลปเสียงกลิยดโกรธโผฏฐะต่างๆ นี่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่พระภิกษุทากิจวัตรของตนเดินบิณฑบาตให้เดินมีสติดูการเดินของร่างกายเวลารับบาตรเปิดฝาบาตรปิดฝาบาตรก็ให้มีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ในตอนนั้น ถือว่าเป็นการปฏิบัติควบคู่ไปกับการเลี้ยงชีพหาอาหารบินตาบาตมาเลี้ยงร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุปฏิบัติตลอดเวลาช่วงตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้ให้มีการปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำภารกิจต่างๆที่จาเป็นจะต้องทำคอยควบคุมจิตใจ ไม่ให้้อยไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆเดินจิตใจไว้ด้วยสติด้วยคำบริกรรมพุโทโธก็ได้ด้วยการเฝ้าดูอิริยาบถต่างๆของร่างกายก็ได้นี่เป็นการปฏิบัติเป็นการเร่งทำความเพียรแข่งกับเวลา เพราะเวลาเขาไม่มีวันหยุดเราจะไปสั่งเวลาว่าช่วงนี้ถึงช่วงนั้นขอให้นาฬิกาขอให้เวลาหยุดเดินชั่วคราวเราสั่งไม่ได้เวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะนําความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายของเราเข้ามาใกล้เข้าไปเรื่อยๆนั่นเอง เราหยุดมันไม่ได้เวลาแค่เมื่อเราหยุดเวลาไม่ได้เราต้องแข่งกับเวลาเท่านั้นถ้าไม่แข่งกับเวลาเดี๋ยวเราจะแพ้เราจะล้มเหลวชีวิตของเราจะล่มจมจะไม่ได้รับประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะนำทางชีวิตของพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีใครจะสามารถนำพาเราไปได้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่จะนำพาตว์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ของสังสารวัตฏได้และนานๆจะมีพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งและนานๆที่เราจะมีจังหวะมีโอกาสที่ได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรก็จะติดในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะไม่มีใครรู้ทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราถือว่าโชคดีมากเป็นโชคมาอันมหาศาล เป็นโชคที่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเป็นโชคที่เกิดขึ้นมายากยิ่งกว่าการถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งเราก็รู้ว่ามันยากขนาดไหนชาตินี้เราคงไม่มีใครหวังจะถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งกันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ มันยิ่งยากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายแสนล้านเท่าเลยและเมื่อได้พบแล้วเราก็จะได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าล้ำค่ายิ่งกว่ารางวัลของรางวัลที่หนึ่งดังนั้นเมื่อเราได้ถูกลอตเตอรี่ของพระพุทธศาสนาแล้วเรา ต้องรีบไปขึ้นรางวัลกันอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวเราอาจจะไม่สามารถไปขึ้นรางวัลก็ได้ น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเอามาคิดกันเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเรานี้กำลังติดคุกติดตารางกัน พวกเราติดคุกติดตารางของสังสารวัตรของตพบภพของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บ ด้านที่สีเรียกว่าตายนี่คือกำแพงที่ห้อมล้อมพวกเราให้ติดอยู่ในคุกนี้เราหนี้ไม่พ้นกำแพงทั้งสี่ด้านนี้อเดี๋ยวก็มาเกิดกันเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายกันพอตายก็ไปเกิดใหม่กัน แล้ก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายกันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาบอกทางออกให้กับพวกเราเถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่รู้ทางออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายว่าออกได้อย่างไระ ตอนนี้พวกเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วผู้ที่จะบอกทางให้เราออกจากกองทุกขแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องรีบศึกษาทางที่จะพาให้เราออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้และรีบนำเอาไปปฏิบัติแข่งกับเวลาเพราะ เวลาจะนำความแก่ความเจ็บความตายมาให้กับเรานั่นเองถ้าถึงเวลานั้นแล้วการปฏิบัติการศึกษาธรรมนี้ก็จะยากเวลาแก่ร่างกายไม่พร้อมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่พร้อมเวลาตายทำอะไรไม่ได้แล้ว จึงต้องรีบแข่งกับเวลากันอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติคำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พักได้ก็คืนละสี่ชั่วโมงนสี่ทุ่มถึงตีสองให้พักผ่อนหลับนอนพอสองยามก็ให้ลุกตื่นขึ้นมา เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติหรือจเจริญปัญญาขึ้นอยู่กับระดับธรรมที่เราปฏิบัติถ้าอยู่ในระดับสติก็ฝึกสติไปจเจริญสติไปบริกรรมพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดปรงแต่งต่างๆอย่าปล่อยให้จิตไหลไปกับกระแสของความคิด เพราะเป็นกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดพราะความคิดจะพาเราไปสู่ความอยากต่างๆความอยากก็จะพาเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายดนั้นเราต้องสกัดกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเจริญสติมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้คิดไปตามความโลภความโกรธความหลงไปตามความอยากต่างๆให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นถ้าเดินจงกรมก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือไม่เช่นนั้นก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้า อยู่ในขั้นปัญญาก็พิจารณาตายรักไปพิจารณาสภาวธรรมต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้แล้มายึดมาติดให้ปล่อยวางสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะให้ปล่อยวางไม่ใช่เห็นแล้วอยากได้อยากได้อยากดื่มอยากรับประทาน เห็นขนมเห็นกาแฟเห็นอาหารเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไหลไปตามความอยากก็ไหลไปสู่กามกามมาภพนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณกลับมาเกิดในกามมาภพกันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉาน แล้วแต่บุญแต่บาปที่ทำกันไว้ต้องคอยสกัดความอยากเหล่านี้ด้วยการเจริญปัญญาพิ จ, จารณาไตรลักว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวลามันหมดมันทำให้เราทุกข์เวลามันมีมันทำให้เราสุขแต่เวลาไม่มีมันจะทำให้เราทุกข์ จาทำให้เราเหงาทำให้เราว้าเวทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจเศาใจเสียใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเวลาไม่มีเราจะไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกว้าเวไม่รู้สึกเหงานี่คือถ้าอยู่ในขั้นปัญญาต้องมันพิจารณารูปเสียงกล่นลด ต่างๆล า, า, าบยศสารเสริญเป็นส่วนหนึ่งของรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายกันต้องปล่อยวางอย่าไปเกิดตันหาความอยากกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดแล้วมันก็จะพาให้เราไปติดพันกับมันพออยากได้ก็ไปหามา หามาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาถ้าหายไปหมดไปก็ต้องหาใหม่มาทดแทนถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเกาใจหนูถ้านั่งไม่ได้หนูไปนั่งข้างนอกก็ได้นะไปไปนั่งที่ลานจอดรถนะตรงต้นโพไ ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งตรงนี้ก็ได้อลไปจะได้ไม่มารบกวนคนอื่นถ้าจะนั่งก็ต้องนั่งเฉยๆนะเพราะว่าเวลาฟังธรรมมันต้องอาศัยความตั้งใจถ้ามีเสียงคนมีอะไรมันจะมารบกวนทำให้ฟังแล้วเข้าใจยาก ไม่ได้บังคับให้ต้องมานั่งตรงนี้นะถ้าอยากจะเคลื่อนไหวอยากจะลุกไปเดินอยากจะไปทำอะไรก็ไปนั่งที่ข้างนอกนี่การปฏิบัติทำต้องทำแข่งกับเวลาเราต้องคอยนึกอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวความแก่ก็จะเข้ามาหาเรา เวลามันผ่านไปไม่หยุดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเทศมาถึงเดี๋ยวนี้เวลามันก็ผ่านไปหลายสิบนาทีแล้วปีใหม่นี้ไม่กี่วันนี้เข้าไปวันที่สามแล้วแก่ไปอีกสามวันแล้วไม่ทันะไรเพ้อแป๊บเดียวมัวไปฉลองปีใหม่กันพอมาได้สติอีกทีโอ้ยตายแล้วแก่ไปอีกแล้วสามวันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ย สามวันผ่านไปทำได้ก็แค่สวดมนต์ข้ามปีเดี๋ยวเดียวเหล่านั้นก็ไปตามกระแสะของกิเลสตัณหาอยาโดยไม่รู้สึกตัวถูกมันหลอกถูกมันกล่อมถูกมันล่อให้หลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้สติกที่โอ้ยผ่านไปแล้วต้องสามวัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากำลังฟังเทศฟังธรรมศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเรากําลังปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ทรงสอนให้พวกเราหมั่นทําบุญกันอ เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญดีกว่าเอาเงินที่จะไปกินไปดืม่มของที่ไม่จำเป็นต้องกินต้องดืม่มเอาไปทำบุญดีกว่าเรารักษาศีลกันได้ไหมบริสุทธิ์ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกไม่ดื่มสุรายาเมาได้หรือเปล่าเรา ไปปรีกวิเวกไปฝึกสมาธิกันบ้างหรือเปล่าเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลแปดได้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เราควรจะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องปฏิบัติกันนั่นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ เราจะติดไปอีกยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าเราติดมานานเท่าไหร่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่ถ้ามารวบรวมกันแล้วมันจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเองคิดดูสิว่าเราจะต้องร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันชาตนี้ร้องไห้ได้น้ําขวดหนึ่งหรือยัง น้ำตาขวดหนึ่งหลยอย่งเราจะต้องกลับมาเกิดมาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากทมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายของเราที่ผ่านมาในอดีตไม่นับถึงภพชาติที่จะตามมาอีกถ้าเรายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้ายังไม่สามารถยุติการไปเกิดได้เราก็จะต้องไปเกิดอีกเมื่อเกิดแล้วเราก็จะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่แหละให้เราหมั่นคิดแบบนี้อยู่เรื่อยเพื่อจะได้มีอะไรมากระตุน้นให้เราได้รีบ ปฏิบัติกันรีบศึกษารีบปฏิบัติกันถ้าเราไม่คิดไม่ถามตนเองไม่ทดสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะลืมเราจะหลงจะถูกความหลงหลอกให้เราหลงไหลไปกับความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ต้องมันคิดอยู่เรื่อยว่า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 เดี๋ยวความตายก็จะมาหาเราแล้วถ้าไม่เห็นก็ไปดูคนที่เขาลุนก่อนเราดูพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราตอนนี้เป็นไงปู่ย่าตายายความเป็นหนุ่มเป็นสาวของคุณปู่คุณย่าหายไปไหนหมดละสุขภาพที่แข็งแรงของคุณปู่คุณย่าหายไปไหนหมดละมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ ต้องพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปโรงพยาบาลไปหาหมออยู่เรื่อยๆแล้วนที่สุดก็ต้องพาไปวัดนนี่คืออนาคตของพวกเราพวกเราก็เดินตามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเดินตามคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนะ แล้ว เ, เดี๋ยวเราก็ตามไปบางครั้งเราก็แซงก็มีแซงคุณปู่คุณย่าแซงคุณพ่อคุณแม่ก็มีเอบางคนอายุสิบกว่าขวบตายก็มียี่สิบกว่าขวบตายก็มีเนี่ยจะหลงปีใหม่ใช่ไหมตายไปกี่ศพเนี่ยสามร้อยกว่าทาั้งทั้งที่ไม่น่าตายเลยยังแข็งแรงยังมีสุขภาพแข็งแรง เพียงแต่จะเดินทางไปฉลองปีใหม่กันเดินทางไปเที่ยวกันเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันแล้วก็ไปด้วยความคึกขนองไปด้วยความประมาทเดื่มสุรายาเมาเพื่อให้เกิดความลื่นเิงบันเทิงใจแล้วก็เกิดความขาดสติขับรถ ด, ด้วยความประมาท เมาแล้วขับผลก็คืออุบัติเหตุเป็นพันรายถึงเสียชีวิตหลายร้อยสามร้อยกว่ารายในระยะห้าวันที่ผ่านมานี่คือความประมาทความหลงระเริงของจิตใจเพราะขาดปัญญาความรอบครอบความ ใค่ควรไม่หมั่นพิจารณาไม่หมั่นถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังนับถอยหลังกันอยู่อแล้วก็พอนับถึงศูนก็ยกแก้วเทใส่ปากกันอเราก็ร้องไชโยไชโยไทยไชโย ใครได้ชัยชนะรู้ไหมเวลาไงเวลามันชนะเราไม่ใช่เราชนะมันเวลามันเอาเวลาของละอันมีค่าของเราไปไปกินไปดืม่มไปเมากันมันหลอกให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์กับเรามันหลอกให้เราไปติดกับของกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่คิดว่าโอ้ยมีความสุขกันฉลองกันเนี่ยแต่ที่ไหนได้ฉลองการติดคุกนั่นเองว่าจะต้องติดคุกต่อไปอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยถ้ามีคำสอนมาเตือนใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โอ้ยเราต้องไปปีกวิเวกแล้วมานั่งชายโยทำไมไปหาที่สงบไปฝึกสติ ไปเจรินปัญญาเพื่อจะตัดกระแสของความอยากต่างๆที่จะดึงให้ใจของเราไปเวียนว่ายตายเกิดกันนะครนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นระลึกถามตนเองเตือนตอนเองอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ออกเดินทางกันไปนั่นเองออกไปเดินทางในทางที่พระเจ้าสอนให้เราเดินกัน แห้เราเดินออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้เราเดินเข้าหากองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เรามักจะเดินเข้าหากองทุกข์กันทุกครั้งที่เราเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้าหาความบันเทิงต่างๆมาห่อรศบันเทิงต่างๆเข้าหา รูปเสียงกลิ่นรสเช่นขนมนมเนยเครื่องเดิมต่างๆนั่นแหละเรากำลังเดินเข้าหากองทุกกันเราไม่ได้เดินออกจากกองทุกการจะเดินออกจากกองทุกต้องออกเดินออกจากรูปเสียงกลิ่นรสไปเนคขมมะคาว่าเนคขมมะแปลว่าการออกจากกามนั่นเองออกจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เช่นญาติโยมที่มาถือศีลแปดกันนุ่งขาวห่มขาวกันนี่ความจริงเขาไม่ได้เรียกว่าบวชพรามนะเขาเรียกว่าบวชเนคข ม, มะเจรเนคข ม, มะบรารมีบามีที่จะดึงให้ใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองไปบวชเนคข ม, มะกันไป สำรวมตาหูจมูกลิ้กายไปสำรวมอินทรีย์กันไม่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะกันให้ไปเสพความสงบเพื่อให้เกิดอุเบกขาเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรามีความสุขมาอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา แต่เรากลับถูกโมหะอาวิชชาหลอกให้เราหลงไปหาความสุขที่สู้ความสุขที่เรามีอยู่ในตัวเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขของมหาเศรษฐีของพระราชามหากษัตริย์ของประธานาธิบดีของนายกรัฐมนตรี อยู่ในตัวของเรานี่แหละอยู่ในใจของเรานี่เองทุกๆคนมีติดตัวมาด้วยกันคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับไปหลงคิดว่าความสุขอยู่นอกตัวเราอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มันเป็นความสุขที่มียาพิษเป็นพิษตามมาคือความทุกข์ตามมาเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเพอเวลามันไม่มีเวลามันหมดทุกข์ก็เข้ามาลุมเล้าจิตใจทันทีเวลาไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี่จะมีอาการเส่มเศร้ามีอาการหงุดหงิดนำคาญใจ ไม่มีความสุขใจนี่แหละคือพิษของความสุขที่เราหากันถ้าเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องโดนความทุกข์กระหน่ำอย่างแน่นอนนี่คือความหลงโมหะเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นทุกข์เป็นสุข เห็นความทุกข์ของรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพว่าเป็นความสุขเพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้ของรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพนั่นเองคิดว่ามันเป็นของแน่นอนเป็นของจีรังถาวรที่จะอยู่กับเราที่จะให้ความสุขกับเราไปเรื่อ ย, อยพอมันไม่เป็นดังที่เราคิด ความทุกข์ก็โหมกระหน่ำเข้ามาทันที น, นี่เป็นสิ่งที่เราถูกความหลงหลอกกันเราจึงต้องมาอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงให้เราสอนเราให้เราหมั่นพิจารณาไตรักอยู่เรื่อยๆให้เราหมั่นพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผทธภาพต่างๆ ว่าเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงอ น, นิจจงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลามันหมดไปเวลามันไม่มามันไม่ได้เป็นของเราเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้นี่คือความจริง แต่ความหลงมันจะบอกว่าเที่ยงนิจจังสุขขังให้ความสุขกับเราเวลาที่เราต้องการมันเราจะได้ความสุขจากมันแต่เราไม่เห็นอนัตตาว่าเวลาที่อยากได้มันแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างไรเราจะเห็นแต่เฉพาะตอนที่เราอยากได้แล้วได้มันเราก็เลยคิดว่ามันเป็นอัตตาเป็นของเราเราสั่งมาได้ ยันตอนนี้อยากจะกินอะไรยังสั่งมันได้อยู่อยากจะเดินอะไรยังสั่งมันได้อยู่แต่เดี๋ยววันดีคืนดีไปเจอเรื่องที่ทําให้เราสั่งไม่ได้สั่งได้แต่กินไม่ได้ทํำยังไงไม่สบายหมอห้ามไม่ให้กินน้ําตาลแนละ้ <c oughs> วทีนี้ก็ไม่ได้กินถึงแม้เราจะสั่งได้แต่ก็กินไม่ได้นี่นี่ก็ทุกบางคนก็ยอมทุกยอมกิน กินแล้วก็ต้องไปฟอกไตฮะเป็นเบาหวานมากๆเดี๋ยวตายก็เสียไตยชํารุดนะก็ต้องไปฟอกไตตอนต้นก็ทิศละครั้งต่อไปก็ทิศละสองครั้งต่อไปก็สามครั้งจนในที่สุดต้องเปลี่ยนไตถ้าไม่มีไตเปลี่ยนไตาวายก็ตายนี่ลิตของความอยากในรสชาติของอาหารขนมเนี่ย ชอบของหวานหวานชอบกินของหวานหวานกันไม่รู้ว่าความหวานนี่เป็นยาพิษที่จะมาทำลายไตยของตนเองต่อไป <c oughs> นี่คือขาดปัญญาขาดความรอบครอบไม่รู้ไตลักไม่เห็นไตลักถูกโมหะอาวิชชาหลอกให้เห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตา นอกว่าจะเป็นความสุขที่ถาวรจะมีความสุขกับมันไปได้ตลอดต้องการความสุขจากมันเมื่อไหร่ก็สามารถสั่งมาได้ทันทีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ช้าก็เร็วเงินทองหมดไม่มีเงินใช้ก็สั่งไม่ได้แล้วหรือมีเงินสั่งแต่ร่างกายมันรับไม่ได้แล้วก็กินไม่ได้อยู่ดีนี่คือ ปัญญาที่จะมาแก้ความหลงของพวกเราบอกว่าปัญญาจะสอนให้เราว่าเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเถิดมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ให้มาหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าที่มันเที่ยงที่เราสั่งได้เนี่ย ความสุขที่มีอยู่ในตัวนี่เราสั่งมันได้ตอนนี้เราสั่งไม่เป็นมันมีอยู่ในใจเราแต่เราสั่งให้มันออกมาให้ความสุขกับเราไม่ได้เพราะเราเหมือนคนตาบอดหาสวิตช์ไม่เจอเป็นเหมือนไฟจะเปิดไฟนี้ต้องไปรู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนถ้าตาบอดคำไปหาทั้งห้องมันก็หาไม่เจอ ต้องให้มีคนตาดีมาบอกว่าอยู่ตรงนู้นสวิตช์อันนี้พิเศษมันอยู่เหนือมือฝ่ามือเราต้องปีนขึ้นไปหน่อยถึงจะเจอสวิตช์อันนั้นท <c ười> ำไปจนมันตายก็ไม่มีวันจะเจอ <c ười> ต้องมีพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราว่าความสุขของพวกเรานี้อยู่ในตัวของเรายิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วพวกเราสามารถเปิดสวิตช์สั่งให้มัน ออกมาโชว์ตัวได้ออกมาปรากฏมาแสดงตัวให้เราเห็นไดม้มาแสดงความสุขให้เราเห็นได้สวิตคือนี้ก็คือสตินี่เองใ ห, ให้ให้สร้างสติขึ้นมาให้หาสติให้เจอถ้าได้สติแล้วก็ดได้ความสงบถ้าได้ความสงบแล้ว ก็จะได้ความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถที่เกิดจากการเจริญสติธรรมนี้สติก็คือธรรมอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดลดแห่งธรรมขึ้นมาคือความสงบเรียกว่าสมาธิ เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิมีสองแบบคณนิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิเป็นความสุขเป็นความสงบเหมือนกันต่างกันที่คณนิกะเป็นความสงบแบบงูแลบลิ้นได้แป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบส่วนอัปปนานี้เป็นความสงบที่ยาวนานเหมือนเปิดไฟแล้วก็ไม่ดับนะ ปล่อยไฟทิ้งไว้คววรึ่งชั่วโมงชั่วโมงเบื้องต้นของการเจริญสติก็จะได้คณิกะสมาธิก่อนจจะสงบแค่วับเดียวช่วงงูแลบลิ้นแต่มันก็จะทำให้เราได้สัมผัสรับรู้ว่าเรามีสิ่งวิเศษอยู่ในตัวเรานี่เองเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่ให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถได้ความสุขจากการเจริญสตินี้ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่สามารถมีความสุขแบบนี้ได้ความสุขที่เป็นของราชามหากษัตริย์ของมหาเศรษฐีของประธานาธิบดีก็สู้ความสุขที่ได้จาก ความสงบที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่ไทยได้ศึกษาได้ฟังแล้วจะมีความหวังขึ้นมาใครคิดว่ากูเกิดมานี้เอาภาพชิบหาย <c oughs> <c oughs> มีแต่ความยากจนพร้อมนิชาินี้กูคงไม่ได้ไปเป็นมหาเศรษฐีกับเขาหรอก คงไม่ได้มีแฟนสวยๆ ร, ร, ร, รอดอรอก <c oughs> คงจะไม่มีความสุขกับเหมือนกับคนที่เขามีกันหรอกพอมาได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านที่ทรงสอนว่าสูมีความสุขมีสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอยู่ในตัวของสูเองเป็นแต่สูฝึกสติขึ้นมาเท่านั้นเองตั้งสติขึ้นมาทําใจให้สงบเท่านั้น โอพอได้เข้าพอได้ยินได้ฟังนี้แหมความหวังมันเกิดขึ้นมาจากไหนไม่รู้เมื่อก่อนคิดว่าเราสิ้นหวังแล้วเกิดมานี่ไม่มีวันที่จะมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาละหน้าตาก็อับประละักอยากอยากอยากจนกระแสยากจนไม่มีวันที่จะไปมีความสุขแบบพวกเสียพวกพวกเศรษฐีทั้งหลายได้แต่พอได้มาศึกษาธรรมะ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเ่านี้ทำให้เกิดความหวังขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้เรานี่แหละจะเป็นคนที่จะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเสียได้ซ้าไปจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของพระราชามาหากรรษฏฐ์โอ้ยมันทำให้เกิดมีกำลังใจขึ้นมามีความอยากที่จะปฏิบัติขึ้นมาทันทีเลย เคยทำงานเงินเดือนกี่หมื่นกี่แานไม่เอาละทิ้งมันหมดนะไปเอาความสุขที่เหนือกว่าเงินทองที่เป็นหลายแสนหลายล้านดีกว่าไปไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเนี่นี่แหละคืออํานาจของลถแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นนะถ้าใครลองได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของลถแห่งธรรมนะจะเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาน จะไม่อยากได้อะไรเมื่อก่อนยังอยากรวยยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากมีแฟนหน้าตาดีๆแต่พอได้มาศึกษาธรรมะแล้วมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่อยากมีเป็นไม่อยากเป็นเศรษฐีไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากมีแฟนนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงหนึ่งเอเป็นได้เดี๋ยวมันก็หมดได้เวลาหมดนี่มันก็ มันก็ทุกทรมานใจแต่ถ้าได้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี่มันได้มาแล้วมันไม่มีวันหมดมันจะเป็นของเราอยู่กับเราเป็นตอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละมันจึงทำให้เกิด ฉ, ฉันทะความยินดีในธรรมขึ้นมาความยินดีในธรรมนี่ท่านบอกว่าชนะการยินดีทั้งปวง เพราะการยินดีในธรรมจะได้จะทำให้เราได้รับรถแห่งธรรมนั่นเองที่เป็นรถที่ชนะรถั้งปวงการยินดีในธรรมนี้ดีกว่ายินดีกับการเป็นมาหาเศรษฐียินดีเป็นมาหาเศรษฐีพอได้เป็นมาหาเศรษฐีก็ได้ความสุขของมาหาเศรษฐีแต่ความสุขของมาหาเศรษฐีนี้สู้ความสุขของลถแห่งธรรมไม่ได้ มีนิทานในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีเนี่ยออกบวชหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแนละ้วได้ยินได้ฟังว่ามีรสแห่งธรรมมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเศรษฐีก็อยากจะได้ก็เลยสละสมบัติออกบวชแล้วพอปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนไม่นานก็ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมพอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้แล้ว มันอดที่จะอุทานออกมาเรื่อยๆไม่ได้ว่าโอ้ยสุขหนอสุขหนอเมื่อก่อนทุกหนอทุกหนาทั้งๆมีสมบัติแต่ทุ ก, กับกองสมบัติทุกเพราะว่าจะต้องคอยรักษาคอยดูแลทุกเพราะว่าจะต้องคอยปฏิเสธคนนั้นคนนี้ที่จะมาขอพอไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราเกลียดเรามีแต่ความทุกข์กับกองสมบัติ พอมาบวชพอมาปฏิบัติจนบรรลุได้เป็นพาาระอรหันต์ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงแล้วมันสุขเกินที่จะเกินที่จะเล่าให้ฟังได้ก็มีเพียงแต่ต้องอุทานออกมาทั้งนี้โ อ, อ้สุขหนอสุขหนอเดินไปไหนก็บนพื้มพรมสุขเนอสุขหนอ พระเนนที่มาบวชใหม่ก็เห็นก็คิดว่าพระนี้ไม่สำรวมเพราะพระบวชใหม่เขาจะสอนให้สำรวมให้ควบคุมกายวาจาให้อยู่ในความสงบนี่หลวงพ่อหลวงตาทำไมเดินพุมพรนสุกหนอสุกหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อมีคนมาฟ้องก็ต้องไต่สวนคดีเรียกมาสอบถามว่า เธอไม่มีสติหรือไงเธอถึงเดินไปแล้วบ่นพึพมพราไปท่านก็ตอบว่าก็ผมมีสติผมมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่รถแห่งธรรมที่ผมได้สัมผัสนี้มันเป็นรถที่มันเหนือกว่ารถของมหาเศรษฐีที่ผมเคยเป็นอยู่จนถามให้ผมนี่ก็ต้องอุทานออกมาอยู่ในใจ ตอนต้นกุทานอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวมันก็ออ ก, กระจายออกมาทางวาจาพ ร, ระพุทธเจ้าฝั่งแล้วบอกอ๋ออย่างนี้ไม่เป็นไรแต่มีสติอันนี้เป็นการสแสดงของพลังของธรรมอำนาจของธรรมที่ทำให้คนเรานี้มีความสุขจนกระทั่งอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้นี่แหละคือลดแห่งธรรม เกิดจากการมีความยินดีในธรรมการจะเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จะไม่ได้รู้ว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนพวกเรานี้เป็นเหมือนอทายาทของมหาเศรษฐีโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นทายาท พ่อไม่ได้ไปอ่านพินัยกรรมพ่อคิดว่าพ่อแม่เรามันยากจนแต่ที่ไหนได้พ่อแม่มีทรัพย์สมบัติเก็บไว้ให้เราพอเราไปอ่านพินัยกรรมเราถึงจะรู้อ๋อนี่แหละท่านเก็บไว้ในใจของเรานี่เองพอไปอ่านธรรมะไปอ่านหนังสือธรรมะไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ยินเรื่องลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง รถแ่งธรรมนี้อยู่ในใจของพวกเราพ่อแม่ทิ้งไว้ให้กับพวกเราแต่พวกเราไม่รู้กันต้องมีคนเอาพินัยกรรมมาให้เราอ่านกันคนที่ค้นพบพินัยกรรมก็คือพระพุทธเจ้านี่อตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองมีรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงอยู่ในใจของตอนเองแต่พอเกิดความ เบื่อหน่ายในรถของรูปเสียงกลิ่นรถเนื่องจากเห็นว่าต่อไปก็จะต้องถูกเวลามาแย่งเอาไปต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตอนนั้นก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆได้ก็เลยทำให้พระ อ, องค์เกิดความาเบื่อหน่ายเกิดความหวาดกลัว จนถึงกระทั่งจนถึงถึงความอยากที่จะหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาหาความสุขแบบนี้ก็ได้พบกับนักบวชได้ยินว่าเขาเป็นผู้ที่จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขเป็นความสุขที่มีอยู่ในตนอยู่ในตัวของเราเองจึงตัดสินใจออกบวชนะ เกิดความยินดีในธรรมขึ้นมายินดีที่จะสละความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของลาบยศสรรเสริญเพื่อไปหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็เลยต้องออกบวชต้องออกบวชตอนที่มีลูกได้ข่าวว่ามีลูกขึ้นมาเพราะถ้าอยู่ต่อไป ความผูกพันกับลูกจะทำให้ไม่กล้าทิ้งลูกจะไปบวชไม่ได้เลยต้องหนีไปไม่ไปกล่าวอำลาไม่ไม่ไปเห็นหน้าตาของลูกเพราะเดี๋ยวเห็นแล้วใจจะอ่อนจะตัดสินใจไม่ได้ก็เลยออกบวชในคืนนั้นคืนที่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปศึกษาจากนักบวชต่างๆจนได้สัมผสัสกับรถแห่งธรรม ที่เป็นแบบชั่วคราวก่อนคือการฝึกจิต ด, ด้วยสตินี่เองเจริญสติควบคุมความคิดหยุดกระแสความคิดหยุดกระแสความอยากได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกวบความสุขทั้งปวงขึ้นมาแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะอยู่ได้ในได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิ พอต้องออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปเนื่องจากจิตใจเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มมีความอยากต่างๆกลับขึ้นมาใหม่นั่นเองก็เลยไม่มีก็ยังไม่สามารถมีความสุขแบบถาวรได้ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวถึง แ, แม้ว่าจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แต่ยังเป็นความสุขที่ไม่สามารถรักษาให้อยู่ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็พยายามไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาเมื่อไม่มีใครสอน แต่ยังมีความปรารถนาที่อยากจะได้ความสุขแบบถาวรอยู่พระองค์เลยต้องไปทดสอบไปค้นคว้าด้วยตนเองไปศึกษาด้วยตนเองลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้เสื่อมหายไปก็คือความอยากต่างๆนี่เองความอยากไปเสพรูปเสียงกลด็ดนสด พอความอยากนี่ไม่ได้ตายไปกับเวลาที่จิตเข้าสมาธิเวลาจิตเข้าสมาธินี่เป็นเหมือนหินทับหญ้าหินใบทับหญ้าไว้ชั่วคราวตัวช่วงที่มีหินทับหญ้าอยู่หญ้าก็จเจริญ ง, งอกงามไม่ได้ก็เหมือนหญ้าตายไปแต่พอยกหินออกไปออกมาทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง พอได้นับได้นได้น้ำฝนได้น้ำอะไรเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เนความอยากก็เหมือนกันความอยากที่ถูกกำลังของสติคุมมาไว้หยุดไว้นี่เป็นเหมือนตายชั่วคราวแต่ไม่ได้ตายแบบถาวรเพราะรากมันยังติดอยู่ในใจอยู่พอออกจากสมาธิมา พอได้รับรูปเสียงกลิ่นรสพอได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนได้น้ำํทำทําให้ความอยากนี่โผล่ขึ้นมาทันทีพวกที่มาปฏิบัติธรรมนี้ใช่ไหมพอกลับบ้านออกไปนี่โอ้ยความอยากดูอยากฟองอะไรรึมาจากไหนเต็มไม่หมดเวลาอยู่วันนี้หายไปหมดเนยพอรู้ว่าเสพไม่ได้มันก็เลยไม่กล้าออกมา แต่พอกลับบ้านนี่ที่รู้ว่าเสพได้นี้มันมากันเข้ามาเป็นฝูงเลยอันนี่ก็อยากจะดูไอ้นี่ก็อยากจะฟังเต็ไมไปหมดเนี่ยเสติหรือสมาธินี้ยังไม่สามารถทําลายความอยากได้ต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าก็ต้องส่งค้นหาปัญญาว่าเมื่อรู้แล้วว่าความอยากเป็นตัวที่ทําให้ความสงบที่ได้จากสมาธิหายไป ก็ต้องหาวิธีทำลายความอยากนี้ก็พิจารณาเห็นว่าไตาลักษณ์นี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้หายอยากพอคิดว่าการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะทำให้เกิดความสุขแต่พอไปมองว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาอยาก กินอะไรแล้วไม่มีกินแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไง ร, รู้สึกหดหดแทนที่จะสุขไม่ไม่สุขเสียแล้วให้เห็นอันนี้จังแม้ความแม่นแน่นอนของรูปเสียงกลิ่นรสให้มองเห็นความแม่แน่นอนของตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้เสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวกาดวันใดตาบอดขึ้นมาก็ดูอะไรไม่ได้แล้วสิ หูหนวกขึ้นมาก็ฟังอะไรไม่ได้ตอนนั้นแล้วก็จะหาความสุขจากรูปจากเสียงได้อย่างไรนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็ดีตาหูจมูกขึ้นกายก็ดีมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสียมมีดีมีเสียได้พอเวลาเสียขึ้นมาทีนี้ก็เดือดร้อนกันแล้วสิ ทุกข์ขึ้นมาแล้วสิแต่ถ้าไม่ไปเสพมันจะไม่ทุกข์เหมือนคนที่ไม่เสพยาเสพติดนี่จะไม่ทุกข์เวลาไม่มียาเสพติดเสพไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เสพยาเสพติดนี้เวลาไม่มียาเสพนี่มันทรมานหรือคนที่ติดอะไรเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ทรมานใครดูละครพอวันไหนไม่ได้ดูขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วรู้สึกไม่มีความสุขขึ้นมาแล้ว คนที่เคยไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าติดมันอยจะไปติดรูปเสียงกิน่นรสให้พิจารณาว่ามันเป็นไตรักมันจะทำให้เราทุกข์นั่นเองแล้วเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเห็นไตรลักแล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็พิจารณาไตารักไปมองให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป ถล้ามันก็จะทำให้เราไม่ต้องไม่อยากได้มันปล่อยมันได้ปล่อยให้มันอยู่ตามเรื่องของมันไม่ไปยุ่งกับมันเราไปหาของที่ไม่ใช่ไตรักษ์ดีกว่าเราไปหาของที่มีอยู่ในใจของเราอันนี้ไม่ใช่ไตรักษ์แต่ตอนนี้ยังเป็นไตรักษ์อยู่เพราะว่ามันยังไม่สง บ, บอย่างถาวรแต่ถ้าเราเลิกความอยากต่างๆได้หมดแล้วต่อไป ความสงบที่ชั่วข่าวนี้ก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปเพราะตัวที่จะมาทำลายความสงบมันถูกกำจัดไปหมดแล้วคือความอยากต่างๆถูกกำจัดด้วยใตยรักษนี่เองทุกครั้งที่อยากอะไรมองให้เห็นไตรักในสิ่งที่เราอยากได้เพราะรู้ว่ามันจะต้องทุกข์มไม่เอาดีกว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเวลาจากไปมันจะทำให้เราทุกข์ไม่เอาดีกว่า ได้แฟนแล้วเดี๋ยวเลิกกับแฟนก็จะทุกข์กันใช่แต่เวลาอยากได้มันไม่คิดถึงเวลาเลิกกันใช่มมันคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดจะรักกันไปตลอดแต่ที่ไหนได้นอกข้าวยังไม่ทันดำเลยเริ่มขึ้นเวทีกันแล้วเริ่มโชคบวยกันแล้วต้องคิดถึงเรื่องเราอย่างนี้มันถึงทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะมีแต่ความสงบที่จะให้ความสุขกับเราไปอย่างถาวรต่อไปนี่แหละคือเรื่องของการทําความเพียรเร่งรีบทําความเพียรแข่งกับเวลากันเร่งรีบศึกษาเร่งรีบปฏิบัติทํากันเถิดแล้วเราจะได้นัตสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มี คือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยไม่มีความสุขที่เหนือกว่าความสงบถ้าเราเรีบทางานแข่งกับเวลาอย่าผัดวันประกันพรุ่งพยายามถามตัวเองอยู่เรื่อยวันเวลาผ่านไปผ่านไปนี่วันที่สามของปีใหม่แล้วได้เริ่มปฏิบัติทำกันหรื อ, อยังหรือยังมัวแต่ไปตั้งท่าอยู่ยังขอไปนู่นก่อนไปเที่ยวที่นั่นก่อนไปหาคนนูน้นคนนี้ก่อน ไปดูไปฟังอะไรก่อนเยถ้าคิดอย่างนี้เสียเวลาเวลาเดี๋ยวเวลามันจะชนะเราเรากําลังแข่งกับเวลาเวลามันขยันนะมันไม่หยุดนะเราเนี่ยชอบหยุดอยู่เนีย่ยที่เราจะแพ้มันก็ตรงนี้แพ้ตรงที่เราชอบหยุดกันถ้าเราไม่หยุดแล้วรับรองได้ว่าเราจะชนะเราจะไปถึงหลักชใยก่อนมันเอ พ, พุฒธเจ้ารับประกันเนี่ยถ้าทําไม่หยุดนี่บางทีเจ็ดวันก็ถึงแล้ว ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีรับประกันถ้ารีบเร่งทำความเพียงกันตั้งแต่บัดนี้จึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติทมแข่งกับเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสนิจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนาราโสยะถามานิโชติ หาโสยัตสภิติโยวิวาันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศิริสานิจังวุฒาปะจายโนจตารโรธรรมาวทานติ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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟซบุ o กสามร้อยแปดยูทูบสามอสิบเกวิทยุออนไลน์ยี่สิหผู้รับฟังวันนี้เจ็สิบเจ็ดรวมเจ็ดร้อยหกสิบท่านค่ะถ้า ม, มีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากผู้รับฟังวันนี้นะคะคําถามที่หนึ่งความเป็นมาของเปรตอสุรกายและเดรัชาน เป็นอย่างไรและหากเป็นเดรัจฉานแล้วจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มีโอกาสได้สร้างบุญดีเป็นเทวดาและนิพพานต่อไปใช่ไหมครับใช่พวกสัตว์เหล่านี้ก็คือดวงวิญญาณเช่นดวงวิญญาณของพวกเราตอนนี้เป็นมนุษย์กันพอช่วงที่เราบุญที่เราได้ทำหรือบาปที่เราได้ทำ ม, มันหมดกาลัง ที่จะดึงให้เราไปเป็นเทวดาหรือดึงให้เราไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วพอมาเป็นมนุษย์เราก็มาเริ่มทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้าง เป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุของการทําบาปทําบาปด้วยความไม่รู้ไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็เป็นเดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทําบาปด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทก็ไปเป็นนรกนี่คือที่ไปของ ด, ดวงวิญญาณของพวกเราทุกๆดวงวิญญาณ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาอยู่แล้วกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดพอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันคำถามที่สองคนที่เป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ควรถือสาลูกควรให้พรที่ดีๆเพื่อลูกจะได้ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ครับพ่อแม่นี่ที่ดีรักลูก จึงไม่โกรธเคืองลูกถึงแม่ลูกจะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ถือสาแต่ก็ต้องห้ามปรามต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสั่งสอนเพราะพ่อแม่นี้อยากจะให้ลูกได้ดีนั่นเองแต่ถ้าลูกโตแล้วรู้ผิดรู้ถูกแล้วถ้าไปพูดไปทำอะไรไม่ดีกับพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่ไม่ถือสาก็พ่อแม่ก็อาจจะเสียใจได้ที่คน ที่ตนรักและเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กล้าที่จะทาอะไรที่ทาให้พ่อแม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจได้เรียกว่าคนอากตันยูหรือคนเนรคุณคนที่ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่หรือคนเนรคุณก็คือนอกจากไม่รู้บุญคุณแล้วยังทำร้ายพ่อแม่เรียกว่าเนรคุณ ไม่ตอบแทนบุญคุณก็เรียกว่าไม่กระตันอยู่ในละคนก็คือแทนที่จะตอบแทนบุญคุณกลับไปทำร้ายพ่อแม่ให้พ่อแม่ต้องเสียอกเสียใจนี่เกิดจากจิตที่ต่ำทรามนั่นเองไม่มีธรรมะที่มาสอนให้รู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักคุณรู้จักโทษก็เลยทำไปตามอารมณ์ แล้วบางทีก็อาจจะมาเสียใจในภายหลังแต่ก็สายไปเสียแล้วทําไปแล้วก็เกิดปรรโทษตามมาจากคุณวิจัยผมได้ทราบว่าน้ําสับ ป, ปะรดทําเป็นน้ําปานะไม่ได้เพราะผลใหญ่กว่าผลมะตูมอยากกราบเรียนถามว่าสําหรับโยมถือศีลแปดจะทานหลังเพนได้ไหมครับเพราะโยมไม่ใช่พระสาธุครับก็แล้วแต่ว่าโยมอยู่ที่ไหนนะ ถ้าไปอ ย, อยู่วัดที่เขาห้ามก็็กด่มไม่ได้เพราะอยู่ที่วัดเขาก็จะให้ถือเหมือนกับพระถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชแต่เรื่องของการปฏิบัติก็เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บ้านเองอยากจะดื่มก็ไม่มีใครห้ามแต่มันควรหรือไม่ควรเรามาบวชมาปฏิบัติเพื่อตัดความอยากไม่ใช่มาตอบสนองความอยาก ในเมื่อเขาห้ามก็อย่าไปทำถ้าทำก็แสดงว่าเราไม่ได้มาตัดความอยาก ง, งั้นบวชไปปฏิบัติไปก็ถอยหลังไม่ได้ก้าวหน้าแต่อย่างใดงั้นต้องทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลือกปฏิบัติอันนี้ฉันชอบฉันเป็นคารวาดฉันทำได้งั้นเธอก็ไปนอนกับแฟนได้เธอก็เป็นคารวาดเหมือนกันใช่ไหม อยู่ที่เราปฏิบัติเราก็ต้องเคารพกฎกติกาของของการปฏิบัติเขาให้เขาห้ามเราก็ต้องห้ามเจอคุณบีนี่ถ้ามีเด็กที่สติไม่ดีจะเอาเหล็กมาตีเราเราตกใจและกลัวมากเราไม่อยากจะไปยุ่งด้วยอีกแต่บางคนบอกว่าควรเล่นด้วยเพราะเด็กถูกแม่ทิ้งเดี๋ยวเด็กไม่มีคนเล่นด้วยแต่เราไม่อยากเลยค่ะควรทาอย่างไรดีคะ ไม่อยากก็อย่าไปทำไม่เห็นมีปัญหาอะไรเมื่อเราไม่มั่นใจในความปลอดภัยของเราเราก็ควรจะถอยออกห่างไปเจอคุณปามเวลาที่มีเรื่องขุนข้องเคืองใจทันทีที่รู้สึกตัวจะพิจารณาถึงอนัตตาและทำให้ความขุนเคืองหายไปได้ทันทีคำถามคือ จะทำอย่างไรให้เวลามีอะไรมากระทบแล้วไม่เกิดความขุนเคืองใจแม้สักวินาทีเดียวคะต้องฝึกอย่างไรคะก็ต้องตัดความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองสิ่งต่างๆถ้าเกิดความอยากมันก็จะทำให้เราขุนมัวได้เวลาเราอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากเหตุนั้นเราก็อย่าไปอยากมันอยู่กับความสงบหาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปอยากกับอะไรได้ พอเราไม่อยากกับอะไรเราก็ไม่มีความคุณคุณมองใจตามมาคำถามจากคุณเดียวมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งบริกรรมพุทโธมีอาการวูบตัวสะดุ้งจะต้องทำอย่างไรครับก็ให้ร้วสะดุ้งแล้วก็บริกรรมต่อไปเท่านั้นเองคำถามที่สองบางครั้งปรากฏภาพในใจ เห็นมุอด บ, บ้างเห็นดวงไฟบ้างแสงแวบบ้างแล้วภาพนั้นก็หายไปครับไม่น้องไปสนใจพูดโทไปดูลมหายใจไปอะไรจะปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจปล่อยมันเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเรื่องของมันจากคุณสรัญจิตเวลาเราเกิดตายมาหลายชาติเราไม่สามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเลยต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เป็นเพราะเราไม่ตั้งมัน่นพ่ายแพ้ในกิเลสทุกทางเป็นเพราะเราไม่ตั้งใจไม่ใช่เป็นเพราะเรามีกรรมมากใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่จะไปว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรมันก็คือมันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะั่นแหละมันก็มีแค่นั้นถ้าปฏิบัติมันก็มันก็สำเร็จมันไม่ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จจะไปโทษกรรมโทษอะไรก็แล้วแต่จะไปโทษนะ ก็อยู่แค่ตรงนี้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตอนนั่นเองถ้าปฏิบัติต่อให้มีกรร ม, มหนาขนาดไหนองคุลิมานฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนมันก็ยังบรรลุได้เห็นมันไม่ได้อยู่ที่กรรมอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแค่นี้น Laura: จะผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามารถบรรลุธรรมได้หรือเปล่าครับโดยที่ไม่ต้องบวชครับเราอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี่ไม่ได้อยู่ที่คารวานหรืออยู่เป็นพระพระบวชแล้วไม่ได้บรรลุเยอะแยะไปคารวะที่ไม่ได้บวชบรรลุมีเยอะแยะไปมันไม่ได้อยู่ที่เพศที่ไว้อยู่ที่หญิงที่ชายอยู่ที่เด็กหรือผู้ใหญ่อยู่ที่คนไทยหรือฝรั่ง เดี๋ยวนี้ฝรั่งมาบวชบรรลุธรรมกันเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศวัยอยู่สถานภาพต่างๆอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสุปฏิปันโนหรือไม่สุปฏิปันโนท่านันเองนั่นหละคือตัวตัดสินคดีจักคุณจตุพรเวลานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจท่องเข้าพุทธออกโท ดูลมหายใจไปเรื่อยๆแต่พอใจจะเริ่มสงบมันจะคอยจะหยุดหายใจอยู่เรื่อยต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะมีความก้าวหน้าคะไม่มันไม่หยุดเราเราไปคิดว่ามันจะหยุดเองไม่สนใจเราก็ดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปรือถ้าลมมีปัญหาก็อย่าไปดูลมเอาพุโทโธอย่างเดียวไปไม่ต้องไปสนใจลมอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันจะหยุดหายใจให้มันรู้ไปเลยคนปฏิบัติมา ตัแต่สมัยพระพุทธเจ้าถึงบัดนี้ไม่เหม็นไม่เห็นมีใครตายเพราะดูลมหายใจมันเป็นกิเลสสมานมาหลอกเราเป็นคว า, ามคิดหลอกเราเองจ ะ, จะคุณยอดฮิตกระผมนั่งสมาธิตอนก่อนนี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงกะว่าจะให้นานกว่านั้นแต่พอถึงหนึ่งชั่วโมงจะตื่นทุกครั้ง <laughs> แล้วก็นอนจะตื่นอีก จะได้อีกหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างนี้โดยไม่ต่อเนื่องอย่างนี้ช่วยแนะนําด้วยครับอ อ, อย่าไปนั่งนั่งแบบนี้เลยถ้านั่งแล้วตื่นนี่แสดงว่านั่งหลับยันอย่าไปนั่งหลับไปนอนหลับดีกว่าถ้านั่งแล้วมันต้องตื่นตลอดเวลานั่งแล้วให้มันสงบเราไม่ได้นั่งเอาเวลาเรานั่งเอาความสงบจิตจะสงบไม่สงบอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติยันไปฝึกสติก่อนเถิด แสดงว่าไม่มีสติพอนั่งก็พร้อมที่จะหลับออแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ดูนาฬิกาโอ้นั่งได้ต้องชั่วโมงนี่นั่งแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้านั่งแบบนี้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนดีกว่าเดินสักชั่วโมงนให้มีสติแล้วค่อยไปนั่งจ้าคุณพิทักษ์จิตที่ได้สัมผัสถึงความสงบแล้วและอาการที่จิตใจ ไม่มีความรู้สึกยินดีในกามหรือมีความสุขในกามเสพกามผลจากการที่ทำให้จิตสงบมีส่วนไหมครับที่ไม่ให้มีความรู้สึกอยากจะเสพกามเปรียบเหมือนหินทับหญ้าที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ครับมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันพอจากสมาธิมาแล้วมันจะค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ำเย็นเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นเอาเอามาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเดียวมันก็หายเย็น ความไม่อยากเสพการเวลาออกจากสมาธิมันก็ติดออกมาแต่สักระยะหนึ่งมันก็หายไปพอเริ่มคิดถึงมันเริ่มเห็นปับน๊บในความอยากมันก็เผยมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่จะคุณเป็นจวันข้อที่หนึ่งถ้าเรามีความคิดที่ผิดศีลในเรื่องของการราคะแต่เราไม่ได้ลงมือกระทําถือว่าเราบาปไหมเจ้าคะยังไม่บาปเลยยังเป็นเพียงแต่ อกุศลคือสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่ยังไม่เป็นเวรเป็นกรรมไปเป็ น, เ ป, นเป็นการเขาเรียกยึดติดยังไม่ถ้ามันยังไม่เสพมันยังไม่ติดนี่ถ้าไปเสพแล้วมันถึงยึดติด ข้อสองถ้าเรายังมีแฟนอยู่แล้วเวลาเรามีสติเราจะรู้สึกไม่ดีในเรื่องของการมาราคะ <c oughs> ที่มีกับเขาเราควรบอกเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเข า, า, าเจ้เาคะก็ระงับความคิดไม่ดีของเราไม่ต้องไปบอกเขาอะไรเมื <c> ่อ <oughs> เราคิดไม่ดีกับเขาเราก็หยุดมันมันก็จบเรื่องมันก็จบเรื่องมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ต้องไปบอกอะไรขเขาเลยเมื่อคิดไม่ดีกับเข า, ก, า ก, ก็หยุดคิดคิดแต่ในสิ่งที่ดีกับเขาไป จะคุณจุาทาธิบมรณานุสติคืออะไรและมีหลักปฏิบัติอย่างไรคะก็นึกถึงความตายว่าชีวิตของเราในที่สุดมันก็ต้องเจอความตายเราจะเจอเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อาจจะเจอวันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้มันจะได้ไม่ประมาณนอนใจจะได้รีบขวนขวายเร่งทำสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจ <c oughs> คุณเสมเทรดเดอร์เวลาวิปัสสนาต้องเดินสมาธิให้สงบก่อนหรือเดินไปพร้อมกันครับอ๋อพร้อมกันไม่ได้ต้องแยกกันทำสมาธิก็ทำให้ใจสงบพ อ, ออกจากสมาธิแล้วเริ่มคิดก็คิดไปทางปัญญาได้ผู้ไม่ประสองค์ออกนามนั่งสมาธิพุทโธไปทีแรกตัวหนัก นั่งไปเรื่อยๆมันเกิดการวางตัวเบานั่งไปอีกเกิดปิติสุขถูกทางไหมคะอ่าถูกครเจอคุณเซมเทรดเดอร์หินทับหญ้าเหมือนลักกิเลสในสมาธิได้ชั่วขณะแล้วอย่างไรเราจะระ ง, งับระ ง, งับกิเลสได้ตลอดครับก็ใช้ปัญญาเวลาออกมากิเลสโผล่มาก็ใช้ปัญญาฟันมันใช้ใจลักฟันมัน พอมันอยากมีแฟนก็บอกเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะมีพออยากจะทำอะไรก็บอกเป็นทุกข์เพราะเวลาไม่ได้ทำมันจะทุกข์มันก็จะทำให้ไม่อยากทำไม่อยากทาต่อไปมันก็มันก็จะไม่ทำต่อไปมันก็ไม่อยากเจคุณต้นกล้าข้อหนึ่ง <c oughs> เราต้องปฏิบัติจนความอยากทั้งสามตายไปหมด <c oughs> หมายถึงไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกเลยหรือความอยากยังอยู่แต่เราไม่ทูกกับมันคะมันไม่อยากหรอกมันต้องไม่ม่ความอยากอย่างอื่นมีได้แต่ความอยากสามตัวนี้มีไม่ได้ถ้ามันมีก็ต้องไม่ทำตามมันต้องหยุดมันข้อสองเบื้องต้นต้องรักษาใจให้สงบ แต่เราต้องปฏิบัติไปจนสุดท้ายไม่ต้องรักษาใจเขาจะสงบตลอดเวลาใช่ไหมคะเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องรักษาใจตัวที่ทำมาให้ใจเราวุ่นก็คือความอยากพอเราทำลายความอยากหมดแล้วก็ไม่ต้องรักษาใจใจหายแล้วเหมือนคนไข้หายจากโรคแล้วก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกินยาจะคุณวัุวัตเคยได้ยินพระถือปฏิบัติฉันจักบาทมีประโยชน์อย่างไรครับ ก็ไม่ต้องใช้ชามเลยไม่ต้องใช้ไปทุดงในป่าไปหาจานหาชามที่ไหนวะเนี่ก็สบายมีภาชนะอันเดียวบาทนี้เป็นทั้งกระเป๋าเดินทางด้วยเนี่ยเวลาเดินทุดงท่านก็เอาของใส่บาทสะพายหิ้วไปท่านต้อมีอัฐาบริขารสมบาทแปดชิ้นพาจีวรสามผืน <laughs> เวลาเดินทุดงก็ไม่ได้ห่มทั้งสามผืนก็เอาใส่ไว้ในบาทของใช้ มีดกร อ, อะไรก็ใส่ไปในบาตรเป็นกระเป๋าเวลาเดินทางเวลาหาอาหารก็เป็นเครื่องมือหาอาหารเดินหที่วบาตรเข้าไปในบ้านเดี๋ยวอาหารก็เต็มบาตรพอกลับมาก็กินในบาตทรทเลยไม่ต้องไปหาจานหาชามให้มันยุ่งยากเรื่องราววุ่นวายกินใส่ก็ล่างบาตรไปเดียวสบายไม่ต้องขนช้อนขนชามขนจานไปด้วย พระสมัยก่อนที่ท่านส่วนใหญ่เป็นพระธุดงตรทั้งนั้นท่านพระป่าท่านอยู่ในป่ากันท่านเปลี่ยนที่กันไปเรื่อยๆไปหาที่สงบที่วิเวกจะไปตั้งแคมป์อยู่ประมาณ2กิโลห่างจากหมู่บ้านจะไปปักกฏอยู่ประมาณสัก2กิโลห่างจากหมู่บ้านเพื่อที่จะได้เป็นใช้เป็นที่ใบบินทบาตแต่ไม่ให้อยู่ใกล้เกินไปเพราะเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวเสียงทางบ้านจะเข้ามารบกวนหรือเด็กหรืออะไรมันอาจจะ มาลบกวนได้ต้องอยู่ห่างไกลสักหน่อยสองกิโลสามกิโลแล้วก็ชาวบ้านก็จะไม่มายุ่งกราบขออภัยคับพระอาจารย์เมื่อกี้อ่านผิดนะคะคุณวัุวัติ ถ, ถามว่าเคยได้ยินพระถือปฏิบัติฉันตกบาทมีประโยชน์อย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้ยินวันนี้ฉันตกบาทมีด้วยเหรอตกบาทเป็นยังไง ถามนะถามมาอีกบอกว่าฉันตกบาดฮะเลยคิดว่าตัวเองอ่านผิดเมื่อกี้ตกหรือตกตกค่ะตอกก็ตกค่ะตกบาดค่ะเป็นยังไงฉันตกบาดเข้าใจไหมล่ะมีใครเข้าใจบ้างอ่ะไม่เข้าใจตกปาดเขาบอกว่าฉันเท่าที่ตัวเองไปเดินเป็นบากมาได้เท่านั้นกะนั้นก็เท่านั้นก็ฉันถ้าที่บินบาบมาได้อ ก็บินธบาตได้เท่าไหร่ก็ต้องฉันเท่านั้นจะไปฉันมากกว่านั้นได้งไงอาจจะหมายถึงว่ากลับมาจากบินธบาตแล้วเกิดมีใครหิ้วบิณฑโตมาถวายก็ไม่รับเขาเรียกว่าไม่รับอาหารตามมาหลังจากบินธบัตเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ลงคำสั่งอ่าไม่รับอาหารหลังจากบินธบาตเสร็จแล้วฉะนั่นป่ า, าบ้านตานี้ท่านจะถือในช่วงเข้าพรรษาเวลาบินธบาตกลับมาเข้ามาที่ศาลาแล้วจะไม่รับของประเคน ถ้าอยากจะใส่บาตรต้องใส่ที่หน้าวัดเขาถึงตั้งโต๊ะยาวเป็นกิโลที่หน้าวัดเพราะคนมาจากที่ไกลมาจากในเมืองขับรถมาก็มาคอยดักจะใส่บาตรให้กับพระเพราะถ้าเข้าไปในวัดแล้วท่านก็จะไม่รับเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแต่พรรษานี้ท่านก็ยังรับอยู่จะคุณข้าวปุ้นน้าแกงไตปลา นั่งสมาธิด้วยความง่วงไปยีสนาทีรู้สึกเหมือนกึ่งตื่นกึ่งหลับมีสติรู้ตัวดีตอนนั้นเป็นภาวะแบบหนืดหนืดเหมือนจิตกําลังจะเจอสภาวะอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่หลับตาแต่ไม่หลับมันคืออะไรคะอย่าไปนั่งแบบนี้เลยมันไม่ใช่วิธีนั่งที่ถูกต้องถ้า ง, ง่วงก็อย่าไปนั่งลุกขึ้นมาเดินให้หายง่วงก่อนแล้วค่อยไปนั่งเวลานั่งต้องมีสติสมบูรณ์จิตจะได้สงบ เง้เดี๋ยวมีปัญหาบ้าบอคอแตกตามมาเงี้อย่าไปทำนั่งสมาธิแบบไม่มีสติจะกลายจะทำให้เป็นบ้าได้สำหรับคนบางคนแต่ไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นอะไรเจ้คุณพง7์เจ็ดแปดพระอาจารย์ฉันรวมในบาทตอนแรกๆที่ไปอยู่วัดบ้านตาดพระอาจารย์ปรับตัวได้อย่างไรครับทั้งๆที่พระอาจารย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศมาครับ ก็หัด <mister> ม <ius> ันตั <Wow S 2> ้งแต่วันบวชเลยวันเริ่มบวชก็ใส่มันทุกอย่างเข้าไปในบาตรก่อนที่จะไปบ้านตากอยู่ที่กรุงเทพอยูที่วัดบวรก็บินตาบัดกลับมาก็เอาอาหารรวมกันเข้าไปในบาตรพอไปอยู่ที่บ้านตาได้ข่าวว่าเลือกกับข้าวเองไม่ได้ตักอาหารใส่บาตรเองไม่ได้หลวงตาจะให้พระตักตักให้หลวงตาเวลาได้รับของมารับเส้นอาหารหม้อเองก็จะท่านก็ตัก ทัาพีนหนึ่งแล้วท่านก็ให้พระองค์หนึ่งเอาอาหารมอนั้นไปตักใส่บาทพระทุกรูกเพราะฉะั้นพระทุกลูกนี้จะกินเหมือนกันหมดจะชอบใจไม่ชอบใจจะถูกใจไม่ถูกใจก็อยู่ในบาทนั้นจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีรุ่นพี่ที่เกษียณมาสองสามปีหลังเกษียณเขาไปช่วยหลานทำทัวแต่มาภายหลังทัวไม่ค่อยดีเขาบอกให้หลานลดเงินเดือนของเขาเพื่อช่วยลดค่าใช้ใจ่าย ไม่นานมานี้เขาบ่นให้ฟังว่าไม่รู้จะทำอะไรเหมือนอยู่ไปวันๆตอนที่ยังไม่กเกษียณเขาเป็นคนขยันทำงานรวดเร็วผลงานดีควรจะแนะนำเขาอย่างไรคะเขาเป็นคนเขาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคะ่ะปฏิบัติธรรมไงมีเวลาว่างเอามาปฏิบัติธรรมซิจะได้ของที่มีค่าจะทำให้ตัวเองมีค่าขึ้นมามีความหวังขึ้นมา ศึกษาธรรมะสิแล้วจะรู้ว่าเรามีของมีค่าอยู่ในตัวเราเรามีความหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะทําทให้เราเป็นเป็นของมีค่าขึ้นมาเออมีเพชรเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการเจริญในรีบเอาเพชรในใจเรามาเจริญในให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาแล้วทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีค่ามีคนณค่ามีราคามือ เจอคุณนัตต้สภาพนิพพานเป็นอย่างไรคะไม่มีกิเลสไงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็พอนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ